มีครอบครัวนหนึ่งนะพ่อแม่ลูกลูกก็อายุประมาณสักสิดขวบได้หรือว่าเล็กกว่า น, นั้นวันหนึ่งขับรถเนี่ยผ่านป่าแห่งหนึ่งนะจูๆเนี่ยก็มีลูกกวางนะตัวน่ารักเลยนะยังเด็กอยู่เลยน่ารักมายืนขวางถนนแล้วจ้องมองมาที่รถรถนี่ต้องหยุดเลยนะหยุดแล้วเนี่ยกวางก็ยังไม่ยอมไปนะที่แรกนึกว่ากวางนี่จะข้ามถนนเพราะกวาไม่ได้ข้ามถนนนะ องใจนะขวางถนนเอาไว้ครอบครัวนี้ก็ไม่เข้าใจว่ากวางตัวน้อยเนี่ยต้องการอะไรก็ลีลีรอรออยู่สักพักหนึ่งบอกว่ากวางน้อยเนี่ยนะมันก็ทําท่าจะเรียกว่ากระสับกระส่ายนะหมุนตัวไปหมุนตัวมาแล้วก็มองไปที่ชายป่ามองเข้าไปในป่า ก็เลยเดาว่าสงสัยกวางน้อยเนี่ยคงต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างนะกับคนลูกชายเนี่ยก็เลยลงจากรถพอกวางเนี่ยเห็นคนลงจากรถนะมันก็ตรงไปเลยนะตรงมาที่เด็กคนนั้นแล้วก็ดมรองเท้าเหมือนกับจะบอกเชิญชวนว่าเนี่ย ให้ช่วยตามฉันไปหน่อยช่วยตามฉันไปหน่อยแล้วก็มองไปที่มองเข้าไปในป่าอพอคนเริ่มขยับนะคราวนี้คนเนี่ยทั้งลูกทั้งพอ่อทั้งแม่ลงจากรถแล้วเริ่มขยับลูกกวางนี่ก็วิ่งเข้าไปในป่าเลยนะเหมือนกับว่าเติอนชวนเรียกร้องให้คนเนี่ยตามเข้าไป เรเดินก็ไปในป่าสักพักได้ยินเสียงร้องเสียงร้องของกวางก็เลยรู้ว่าคง ม, มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่พอก็ไปในป่าสักพักเราก็เจอต้นเสียงเลยนะเป็นกวางตัวใหญ่เชือคงเป็นกวางตัวแม่เนี่ยกำลังถูกเชือกรัดคงเป็นบ่วงหรือแรวเนี่ยนะแล้วมันก็ส่งเสียงร้อง ก็เลยรู้แล้วนะว่าโอ้ลูกกวางนี่กำลังต้องการความช่วยเหลือกําลังขอร้องให้คนเนี่ยไปช่วยแม่ของเขาแต่พอคนเข้าไปนะเข้าไปใกล้ใกลเนี่ยแม่กวางมันก็ยิ่งดินเข้าไปใหญ่เพราะมันกลัวคนแล้วคนก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ แต่เด็กก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันมีมีดนะอยู่ในรถมีดพกนะเด็กก็กลับไปที่รถเอามีดมาแล้วก็ใช้มีดเนี่ยนะตัดเชือกที่รัดแม่กวางเอาไว้พอแม่กวางนี่มันรู้ว่าคนพยายามช่วยเหลือนะพยายามช่วยเหลือมันเนี่ยมันก็นิ่งเลยเพราะมันรู้แล้วว่าเนี่ยคน มาดีไม่ได้มาร้ายมันนิ่งมันยอมให้คนเนี่ยตัดเชือกตัดบ่วงจนรทั่งเชือกขาดมันก็ปลอดภัยเพราะหลุดจากบ่วงนะโอยแม่กวางนี่รีบวิ่งเข้าปาเลยด้วยความตกใจแมคนก็ดีใจนะว่าได้ช่วยแม่กวางเอาไว้แล้วก็อดทึ่งไม่ได้นะวา่าลูกกวางเนี่ยนะ เขารักแม่มากนะแล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตนะเพื่อช่วยแม่ตัวเองก็รู้นะว่าช่วยแม่ไม่ได้นะก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยมนุษย์นี่แหละซึ่งก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ก็กล้าเสี่ยงตอนนี้เนี่ยพอพอครอบครัวเนี่ย ขึ้นรถนะยังไม่ทันขึ้นรถเลยประกอบไปเห็นแม่กวางกับลูกกวางเนี่ยยืนอยู่ไกลๆ ก, ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะสิบยเมตรอยู่ที่ขอบถนนแม่กวางที่หนีเข้าป่าไปแล้วนี่กลับมานะเหมือนกับว่ามาขอบคุณเท่านั้นไม่พอนะลูกกวางเนี่ยเดินตรงมาหน้ารถ แล้วก็หมอบเหมือนกับคาระวะเหมือนกับต้องการขอบคุณเด็กเนี่ยลงจากรถไปนะไปที่รูป ก, กวางแล้วก็ลูปหัวรูป ก, กวางมันก็ยอมให้ร่วมนะเพราะมันรู้ว่าคนนี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็จะมีความสำนึกในบุญคุณที่คนนได้ช่วยแม่เขาไอ้ความสำนึกในบุญคุณเนี่ยเราเรียกว่าความกระตันอยู่นะ กวางน้อยตัวนี้มีทั้งกวางปันอยูต่อแม่นะเห็นแม่เดือดร้อนก็อยากจะช่วยแม่ตัวใหญต้องเสียงก็ตามและพอมีคนมาช่วยแม่ได้สำเร็จนะก็สำนึกในบุญคุณของคนมาเข้ามาใกล้ๆนะมาคารวะเขาเรียนรู้มาจากไหนนะเขาหมอบเลยนะงอขาสองข้างแล้วก็หมอบ เหมือนกับเป็นการก้มนะคาระวะในความสูงในบุญคุณเนี่ยของลูกกวางเนี่ยมันชี้ให้เห็นลยนะว่าความปัตยโเนี่ยสํานึกในบุญคุณมันมีแม้กระทั่งนะในจิตใจของสัตว์แม้เราจะเรียกว่าเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเหมือนกับว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ําหรือว่าเป็นชีวิตชั้นต่ำนะ แต่ว่าเขาก็มีสำนึกในบุญคุณนะมีความกตัญญูแล้วมันก็ไม่ใช่มีแต่กวางนะเคยเล่าแล้วนะปราวานน้อยเนี่ยนะมาเรียกคนขอร้องให้คนไปช่วยแม่เขาที่ติดตะข่ายนะจับปลาแล้วพอคนช่วยได้สำเร็จนี่ทั้งแม่ปราวานแล้วก็ลูกปราวานก็ ไหว้น้ำเอาไหว้ตามมาขอบคุณคนที่ไปช่วยเขาแถมตัวแม่นี่ก็ขาปลากระเบนหมอมอ่อให้คนที่ช่วยเขาด้วยเช่นเดียวกับปลาหวานตัวน้อยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความสมนึกในบุญคุณนะที่แม้กระทั่งสัตว์น้ำเนี่ย มันก็มีอย่าว่าแต่สัตว์เลยนะนกนะมันก็มีนะมีตัวอย่างเยอะเลยนะในความสำนึกในบุญคุณต่อผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ให้กำเนิดหรือว่าคนที่ช่วยชีวิตนะของพ่อแม่เนี่ยแม้ขนาดสัตว์นี่ก็ยังมีความกตันอยู่รู้สึกสำนึกในบุญคุณนะั้ภาษาเลยกับมนุษย์นะมันจะเรียกว่ามีมาตั้งแต่เกิดก็ได้ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเนื่องจากเรามีสมองที่ใหญ่นะในแง่หนึ่งไอ้สักการที่มีสมองที่ใหญ่นี่มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกสำนึกในบุญคุณอย่างสาัตว์เลี้ยงลูกด้ยนมเนี่ยมันมีสมองที่ใหญ่กว่าสาัตว์ชนิดอื่นมันก็มีความสำนึกในบุญคุณความกตัญญูมีคุณธรรมแต่ว่าสมองที่ใหญ่มันก็ทำให้คิดได้ มากมายหลายอย่างและถ้าคิดไม่ถูกไม่เป็นเนี่ยไอ้สิ่งที่คิดมันก็จะอาจจะหักล้างนะความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณก็ได้อย่างมันก็มีเหตุผลนะว่าพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงดูเรามานี่มันเป็นหน้าที่ของเขานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องขอบคุณหรือว่าสำนึกในบุญคุณมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว เขาต้องทำถ้าเขาไม่ทำนี่คนก็จะเหาะตา ต, ต่อว่านี่เป็นเหตุผลนะเป็นความคิดนะที่ไปที่สามารถจะลบล้างความสำนึกในบุญคุณที่มีอยู่ในใจของผู้คนบางทีเหตุผลหรือความคิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะเวลาเห็นคนเดือดร้อนอยากจะช่วยใจเนี่ยมันอยากจะช่วยนะ เพราะมันมีเมตตากรุณาอยู่ในใจของทุกคนแต่ว่าบางค่ั้ก็มีเหตุผลว่าทําแล้วได้อะไรนะนนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลที่ทําให้หลายคนเนี่ยขาดน้ําใจไม่ช่วยเหลือมีข้าออ้างมากมายว่าฉันต้องรีบฉันต้องไปนะฉันเหนื่อยตั้งที่ใจนี่มันอยากจะช่วยนะแต่ว่าเหตุผลนี่มันบอกว่าอย่าช่วยเลยอันนี้เป็นเพราะว่าความคิดของคนเรานี่มันพอมัน สามารถคิดได้ซับซ้อนเนี่ยมันก็สามารถจะไปกดข่มคุณธรรมหรือว่าไปหักล้างาคุณธรรมความกระตันอยู่ได้นี่เราก็ต้องระวังในความคิดทั้งนี้เรามีความสามารถในการคิดแต่ถ้าคิดไม่เป็นนี่มันก็สามารถจะชักนำให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งทั้งที่ใจมันเรียกร้องใจมันรู้อะไรถูกอะไรไม่ถูกแต่ว่าความคิดมันพาไปอีกทางหนึง่ง ไม่ต้องรู้จักรู้ทันความคิดด้วยนะแล้วก็จะไปหลงเชื่อความคิดหรือข้ออ้างที่มันเกิดขึ้นในหัวเรามากเกินไปวันนี้ก็ต้องเชื่อใจของเราบ้างนะฟังใจของเราบ้างอย่าไปฟังแต่หัวอย่างเดียวนะ